คุณแม่ฮอนเลการละครหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไม้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเธอมีลูกอยู่สองคนคนโตชื่อสเตลล่าเสตลล่าเป็นคนใจดีและทํางานหนักมากคนเล็กชื่อเบลล่าเป็นคนหยาบคายและขี้เกียจแต่ว่าแม่ของเธอรักน้องมากกว่าเพราะว่าน้องคนเล็กเป็นลูกของตัวเองและคนโตเป็นลูกเลี้ยงแม่ของพวกเธอ จะให้สเตล่าทำงานหนักทั้งวันอยู่ในบ้านสเตล่าทำงานให้เสร็จนะเธ อ, อยังต้องออกไปข้างนอกและวมุนได้อีกเบลล่ามันนี่ลุกรักแล้วต้องหิวมากแนะ่เดี๋ยวแม่จะหาอะไรให้กินสเตล่ารีบทำงานบ้านให้เสร็จและออกไปปั่นได้นอกบ้านทุกๆวันแม่เลี้ยงของเธอจะให้เธอออกไปใกล้ใกบ่อน้ําหมู่บ้านเพื่อที่จะปั่นได้สเตล่าจะปั่นได้จนนิ้วมือของเธอรวมกัน นกแก้วอยู่ใกล้ๆบอ่อน้ําแต่ ล, ล่าจะคุยกับมันระหว่างที่ปั่นได้วันหนึง่งขณะที่เธอปั่นได้อยู่นิ้วของเธอเริ่มมีเลือดออกและเลือด ก, ก็เปื้อนที่ปั่นได้เธอเอาที่ปั่นได้เก็บไว้บนบ่อน้ําเพื่อทําความสะอาดเมืนะ่อเธอพยายามดึงถังน้ําเข้ามาที่ปั่นได้ตกลงไปในบอ่อน้ําไม่นะที่ปั่นได้ตกลงไปในบ่อน้ําแล้วฉันจะทํายังไงดีถ้าแม่รู้เธอจะต้องกโกรธมากแน่ๆเลย เตล่าพยายามอย่างมากแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถนำที่ปั่นได้ขึ้นมาเธอวิ่งกลับไปบ้านแล้วบอกแม่ของเธอว่าแม่คะที่ปัน่นได้ตกลงไปในบอ่อน้ำทำไมเธอถึงไมต่ตกลงไปในบอ่อแทนที่จะเป็นที่ปั่นได้แล้วฉันจะไปหาอันใหม่ที่ไหนละ่ะลงไปในบอ่อเอาที่ปั่นได้มาจะกลับมาถ้าไม่มีที่ปั่นได้เข้าใจไหมเตล่าร้องไห้กับตัวเองเตล่ากลับไปที่บอ่อน้า เธอพยายามทำทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้เพื่อทำให้ที่ปั่นได้ออกมาจากบ่อน้ำเธอไม่รู้ว่าเธอต้องทำอย่างไรต่อแต่ละกระโดดลงไปในบ่อน้ำเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอเห็นตัวเองอยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวพระอาทิตย์ส่องแสงและมีดอกไม้น่ารักทั่วทุกขนแห่งฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ช่างสวยงามอะไรอย่างนี้อืมมันช่างหอมหวานจังเลย เฟล่าเดินเข้าไปข้างหน้าพอเดินมาถึงจุดหนึ่งเธอก็เห็นเบเกอรี่ในเตาอบเต็มไปด้วยขนมปังที่กำลังเรียกเธอถ้าเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นเวทมนต์ของดินแดนนี้แน่เลยพาเราออกไปพาเราออกไปไม่างนั้นพวกเราไม่แน่แน่เราโดนอบมานานแล้วใครก็ได้พาเราออกไปทีเฟล่าได้ยินเสียงเรียกร้อง และนำพวกขนมปังออกจากเตาขอบคุณมากสเตลล่าเดินเข้ามาข้างในอีกเธอเห็นต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลกำลังพูดกับเธอลูกแอปเปิลที่ต้นฉานสุกหมดแล้วได้โปรดใครก็ได้เด็ดมันไปกินทีไม่งั้นมันจะเน่าหมดเซลล่าได้ยินต้นแอปเปิลพูดแล้วเธอก็ทนความเจ็บปวดของต้นไม้ไม่ได้ทันทีที่เธอเขย่าต้นแอปเปิลแอปเปิลเริ่มหล่นลงมาที่พื้นเหมือนกับฝนตก สเตล่าเขย่าต้นไม้จนแอปเปิลผลสุดท้ายหล่นลงมาแล้วเธอก็รวบรวมแอปเปิลไว้ที่ข้างหนึ่งแล้วเธอก็เดินจากไปขณะที่เธอเดินไปเรื่อยๆเธอเจอกระท่อมที่มีผู้หญิงแก่อยู่หญิงแก่มีฝันที่น่ากลัวจนสเตล่ากลัวและเมื่อเธอพยายามจะหันหลังเพื่อที่จะวิ่งหนีหญิงชราก็ร้องเรียกเธอโอ้อย่า ก, กลัวฉันไปเลยเด็กน้อย เธอดูแลบ้านของฉันดีเธออยู่ที่นี่ได้ฉันจะให้เธอทุกอย่างเลยแต่เธอต้องมั่นใจว่าทุกเช้าที่เธอจัดเตียงเธอจะต้องกลุ่มด้วยขนนกเหมือนกับพื้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเวลาหิมะตกและใช้ทุกคนเรียกฉันว่าคุณแม่ฮอลเล่คุณแม่ฮอลเลพูดกับเธอด้วยความรัก ทำให้สเตล่าตกลงอยู่กับเธอเสเตล่าดูแลบ้านเป็นอย่างดีและทุกวันเธอจัดเตียงให้คุณแม่ฮอนเลเหมือนกับที่คุณแม่ฮอนเลขอเธอคุณแม่ฮอนเลรักสเตล่ามากและทำอาหารให้เธอทานทุกวันเสเตล่าอยู่ไปสักพักก็เริ่มคิดถึงบ้านของเธอคุณแม่ฮอนเลช่าดีกับฉันเหลือเกินเธอดูแลฉันเป็นอย่างดี แต่ฉันคิดถึงบ้านแล้วเตล่ามีความสุขมากกับคุณแม่ฮอนเลแต่เธอคิดถึงเวลาที่เธอต้องกลับบ้านแล้ววันหนึง่งเธอพูดกับคุณแม่ฮอนเลว่าคุณแม่ฮอนเลฉันอยากกลับบ้านฉันอยู่ที่นี่อีกต่อไปไม่ได้แล้ว อ, อฉันดีใจที่เธออยากกลับบ้านเธอทำงานด้วยความจริงใจฉันชอบเธอมากเลย ฉันควรไปส่งเธอที่บ้านด้วยตัวของฉันเองจริงเหรอขอบคุณค่ะคุณแม่ฮอนเลคุณแม่ฮอนเลจับมือสเตลล่าและพาเธอไปที่ประตูใหญ่ที่ทำด้วยทองประตูเปิดออกขณะที่สเตลล่าข้ามธรณีประตูฝนตกเป็นทองลงมาใส่เธอก่อนที่เธอจะรู้ตัวเธอใส่ชุดสีทองตั้งแต่หัวจรดเท้า นี่คือรางวาัลที่เธอรับใช้ฉันด้วยความรักนี่คือสิ่งที่ใส่ได้ที่เธอทำหล่นในบ่อนนะ้ำเซลลาอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงหรือว่าความฝันเธอไม่เคยได้รับความรักจากใครมาก่อนตลอดทั้งชีวิตเธอร้องไห้ด้วยความสุขจากนั้นประตูปิด แล้วเธอก็เห็นว่าตัวเธอเองยืนอยู่ข้างบ่อ น, น้ำนอกบ้านแม่เลี้ยงของเธอทันทีที่นกแก้วเห็นเธอมันบินมาเกาะที่ไหลเธอแล้วพูดกับเธอว่าลูกของเธอบริสุทธิ์เหมือนกับทองคําเธอกลับมาแล้วนกแก้วพูดประโยคนี้ไปเรื่อยเรื่อยเมื่อสเตล่ากลับเข้ามาบ้านแม่เลี้ยงและเบลล่าตกใจที่เห็นเธอเธอใส่ชุดสีทอง ตั้งแต่หัวตรดเท้าพวกเขามีความสุขที่เห็นเธอเข้ามาเตลลาลูกรักหายไปไหนหมอแม่เป็นห่วงลูกมากเลยแล้วไปเอาชุดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเสลลาเราให้พวกเขาฟังทุกอย่างเมื่อได้ฟังแล้วหัวใจของแม่เลี้ยงก็เต็มไปด้วยความโลภว้าวทองเยอะจังเลยถ้าฉันส่งเบลลาไปที่นั่นฉันจะต้อง รวยมากแน่เลยเหมือนกับที่เขาทำกับสเตลลาเขาส่งเวลล่าไปปั่นได้ที่บ่อน้ำเบลล่าเจาะนิ้วของตัวเองด้วยปลายแหลมเพื่อที่จะทำให้เลือดไหลเธอเอาเลือดใส่ในที่ปั่นได้และโยนลงไปในบ่อน้ำแล้วเธอก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำด้วยตัวเองเหมือนกับสเตลลาเธอตื่นขึ้นมาบนทุ่งหญ้าสีเขียวเธอลุกขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้า เธอไปถึงเบเกอรี่ขนมปังข้างในนั้นขอความช่วยเหลือเอาเราออกไปเอาเราออกไปไม่งั้นเราจะไม่กันหมดเราโดนอบมานานแล้วใครก็ได้เอาเราออกไปทีพวกเธอจะบ้านลรอทำไมฉันต้องทำให้มือตัวเองเลอะด้วยละ่ะเบลล่าพูดแล้วก็เดินต่อไปเธอเดินไปที่ต้นแอปเปลิลลูกแอปเปิลของฉันสุกหมดแล้ว ใครก็ได้เด็ดมันออกไปกินทีไม่งั้นมันจะเน่าหมดเธอจะบ้านเหรอทำไมฉันถึงต้องเด็ดมันออกถ้าแอปเปิ้ลละสิหัวละ่ะเธอพูดจาหยาบคายกับต้นแอปเปิ้ลแล้วก็เดินจากไปในที่สุดเขาก็ถึงบ้านแม่ฮอนเลเธอได้ยินเรื่องฝันที่น่ากลัวมาจากสเตลลาเธอจึงไม่กลัวและเดินเข้าไปหาแม่ฮอนเล เพื่อหางานทําคุณแม่ฮอลเล่ได้ยินว่ากําลังหาคนทํางานเหรอคะฉันขอทํางานได้ไหมคุณแม่ฮอลเล่อธิบายงานทุกอย่างให้เธอฟังและบอกเธอว่าอยากได้ขนนกแบบไหนที่ต้องวางบนเตียงวันแรกเบลล่าเชื่อฟังคุณแม่ฮอลเล่แต่ว่าวันถัดมาเธอเริ่มไม่ทําตามวันที่สามเธอไม่ทําอะไรเลยจริงๆแล้ว เธอเริ่มนอนหลับทั้งวันและไม่ยอมทำตามคำแนะนำถึงเรื่องการวางขนนกบนเตียงคุณแม่ฮอนเลเห็นขนนกที่เตียงเธอโกรธมากเธอเดินไปหาเบลล่าแล้วพูดกับเบลล่าว่าฉันคิดว่าเธอได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วล่ะเบลล่ามีความสุขมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอคิดว่าเธอจะได้ทองแล้วคุณแม่ฮอนเล พาเธอไปที่ประตูทองทันทีที่เบลล่าเดินข้ามทรณีประตูแทนที่ทองจะตกลงมากลับกลายเป็นโคลนที่ตกลงมานี่คือรางวัลกับงานทั้งหมดที่เธอได้ทำประตูปิดแล้วเธอได้กลับบ้านแล้วนกแก้วที่อยู่บนบ่อ น, น้ำเห็นเธอแล้วนกแก้วก็เริ่มตะโกนว่าเธอกลับมาแล้วลูกสาวเธอน่าเกลียดเหมือนโคลนเธอกลับมาแล้ว เขาถึงได้พูดกันว่าแม้แต่การลอกเรียนแบบก็ยังต้องใช้สมองเหมือนที่สเตลล่าและเบลล่าได้ไปถึงกระท่อมของคุณแม่ฮอนเลแต่เพราะว่าความขี้เกียจการไม่สนใจงานเธอได้โคลนกลับมาบ้านแทนที่จะเป็นทองจากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรที่จะจริงใจและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำ